วันนี้เป็นวันที่สิเจดมิถุนาห้าหนึ่งนับจากวันนี้ไปถึงวันเข้าพรรษาปี2551้าห้าสบอดก็เดือนหนึ่งพอดิบพอดีนะจากนี้ไปหนึ่งเดือนเป็นวันเข้พาพรรษาถ้าจะว่านานก็นานถ้าจะว่าเร็วเร็วนะเดือนเดียวไม่นานเพราะนั้นพระผมว่าปีนี้ถ้าหากว่าอยากจะล้างถัง ก็ล้างได้เลยนะเพราะเห็นอะไราะฝนดีมาตลอดล้างหลังคามาตลอดแหละถึงจะเปลี่ยนน้นําฝนก็เปลี่ยนได้เพราะมันฝนสะล้างตลอดไม่ใช่ว่าเราจะเทีนเทีนตรงเดือนสิงหาสก่อนจะค่อยเอาน้ําไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่ว่าถ้าหากว่าปีไหนฝนตีล้างหลังคามาตลอดสะอาดจนแล้วเราก็รีบเอาเข้าซะจบจบไปถ้าปีไหนฝนไม่ดี ฝนต้นปีไม่ดีเราก็ปล่อยให้มันสะล้างจักสองสามสี่ห้าครั้งให้ลังคาสะอาดซะก่อนเราก็จะเอาน้ําฝนเข้าแต่ปีนี้รู้สึกว่าฝนตกมาสม่ําเสมอเพราะนั้นเราจะไปเทนตรงอย่างเดียวคงจะไม่ถูกนะควรเอาเข้าจั่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเอาทางหลังสลาเข้าก่อนปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปเลย ฝนตกไม่กี่ครั้งก็เต็มละถ้าฝนอย่างทุกวันนี่นะปีนี้ฝนดีมากๆถ้าว่าพระไม่มีถนนคอนกรีตให้เดินเนะี่ยรู้สึกว่าจะลําบากเหมือนกันนะปีนี้นะมันแฉะตลอดเลยมันพระก็คงจะหกล้มกลมกราบเหมือนกันนะมันลื่นแต่รู้สึกว่าสะดวกสายเมนของเราก็เดินได้สะดวกหลวงพ่ออีกก็เดินมาจากนู่นจากเนินนะ่งวันนี้ เดินมาทางรู้สึกว่าเออดีมันไม่ร่นแล้วก็สะดวกสบายสําหรับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะถ้าเดินถ้าหกล้มขาหักแขนหักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนเวลาล้มลงไปไปเท้ากับพื้นเนะแขนหักเนาะโอ้ถึงอย่างไงก็ตามนะเพื่อพระของเราให้ตั้กตั้งใจปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพระผู้เข้ามาอยู่ภายใน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายตามให้จริงก็คิดเหมือนกันน่ะคิดจะมีการประชุมพระเป็นเอกเทศแต่ก็อย่างว่าภาละธุระมันก็มีอยู่แต่ว่าที่ยังไงก็ตามขอให้หมู่พเพื่อนทุกองตั้งใจภาวนาปฏิบัติให้ถือว่าจุดจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญถ้าพวกท่านทั้งหลายปล่อยปะ ล, ละเลยออกไปข้างนอกเนี่ย พวกท่านจะได้รับผลคือความร้อนใจจะตามมาพูดอย่างนั้นได้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปล่อยตามอำเภอใจปล่อยตามอัธยาใจปล่อยตามอารมณ์ที่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดมัวสุม่มคุยกันไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักคู่คนที่ควรจะพูดมากพูดน้อยถ้าพวกท่านปล่อยใจอย่างนั้นแล้วความร้อนใจจะตามมาพูดอย่างนั้นได้ แต่ถ้าความร้อนใจตามมาแล้วเราจะไปตำหนิใครเราจะตำหนิใครจะตำหนิวัดใช่ไหมหรือตำตำหนิพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมากจะไม่ตำหนิใครโดยมากจะตำหนิภายนอกวัดผมจิตใจร้อนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรโดยมากจะไม่ย้อนเข้ามาหาตัวเองแต่ตำหนิภายนอก แต่ที่แท้ต้นเหตุของตัวเองก็คือปล่อยจิตปล่อยใจพูดไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักการเทสะปล่อยใจจนเกินไปผลที่สุดความร้อนใจก็จะตามมาไม่ได้เลือกระดับไหนทั้งหมดเว้นเสียแต่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีแต่พระโสดาบันอย่างนี้ก็ยังวันไว้ไกวแข่งอยู่พอสมควรเพราะยังมีกิเลสอยู่ในจิตใจปูตุชนไม่ต้องพูดถึง เ่านั้นพวกเราอยู่ในระดับไหนแล้วเป็นที่ไว้ใจเป็นที่นอนใจแล้วอย่างถ้าว่าไม่เป็นที่นอนใจให้ระวังตัวเองให้ระวังเอาไว้ถ้าระวังดีแล้วนั่นแหละความเย็นใจก็จะตามมาให้รู้จักประมาณสรุปแล้วก็ให้รู้จักประมาณให้ยืดจุ่นในการทําจะทําจนพั่าเพื่อเรือรังพวกเราทุกคนเข้ามาอยู่วัดเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เรามาเพื่ออะไรให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอเรามาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อการงานอย่างอื่นใช่ไหมหรือเพื่อรักษาศีลเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ใช่ไหมอันนี้มันเพื่ออะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวพวกเราท่านทั้งหลายเองถ้าพวกเราท่านทั้งหลายรู้ว่าเราเข้ามาเสียสละเข้ามาจากภายนอกจากหน้าที่การงาน ปัดภาคอจากพ่อแม่พี่น้ององศาคนาญาติเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาอยู่ป่าโรงพงภัยอย่างนี้เรามาอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมแสวงหาธรรมหาทางพ้นทุกข์ในพัตตะสงสารเท่านั้นหรือจอังอื่นเรือว่าเท่านั้นพอเท่านั้นเราก็มุ่งหวังเพื่อเท่านั้นท่านเองท่นี้มันก็แคบเข้ามาแล้วเรื่องอย่างอื่นมันเรื่องภายนอกเราก็ต้องรู้จัก หลบรู้จักกลีกไม่ใช่ว่าเราจะไปแขนข้างหนึ่งไปเกาะข้างหนึ่งแขนข้างซ้ายไปเกาะข้างหนึ่งแขนข้างขวาไปเกาะข้างหนึ่งขาซ้ายขาขวาเกาะอีกข้างหนึ่งยังไม่แล้วยังปากอีกคาบี่ทั้งหนึ่งมันจะไปได้เหรอมันไปไม่ได้เพราะว่ามันของอะไรติดข้องพลุงพลังไปหมดมันเกาะมันคล้องไปไปไม่ได้ถ้าจะไปได้มันก็ต้องปิดหมดทุกอย่าง มือก็ต้องกอดอกขาก็ต้องชิดกันเพ่อจะเดินทางมันจึงจะไปขนาดนั้นถึงจะไปได้ถ้าไปเกี่ยวที่นู่นเกี่ยวที่นี่อยู่มันไปยากนะอย่างที่ว่าน่ประตูนิพานเล็กกว่าปลายเข็มลูเข็มปลายเข็มพวกเราจะเกี่ยวนองหนวงเนียวเรื่องต่างๆพลงุงพลังไปด้วยไปยากนะเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะ ที่พูดทั้งนี้คือการตักกล่าวย้ำกล่าวเตือนอย่าไปหลงโลกหลงทางจนเกินไปจะให้ความสําคัญทางโลกจนเกินไปถ้าพวกเราท่านทั้งหลายให้ความสําคัญทางโลกจนเกินไปพวกเราจะร้อนใจเมื่อภายหลังจะเสียใจเมื่อภายหลังพอะระลึกถึงทำอันสูงสงขึ้นมาภายในใจพวกเราจะตําหนิเราไม่ได้ตําหนิใครอื่นแต่ตำหนิเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เราเล่นจนเกินไปเราปล่อยปะละเลยจนเกินไปสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรามองเราทุกๆองค์ทุกๆคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดวาสศาสนาจากนั้นเราก็เข้มงวดกวดขันกับตนเองแต่บางองค์ก็ถามถามผมว่าถ้าว่าองค์ไหนปฏิบัติธรรมอดอาหารแล้วก็ไม่มาฉัน น้าปานะด้วยจะอยู่แบบอุกฤิจะปฏิบัติภาวนาอยู่ในกุติจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการทํากิจวัตรสาธารได้ไหมอันนี้ก็ให้พวกท่านทั้งหลายตกลงกันเองแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายตกลงกันไม่ได้ต่อไปจะทะเลถลอยพอองค์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ผลที่สุดทั้งมาฉันด้วยแล้วก็ต่อไปก็ทั้งไมมาทํากิจวัตรสาลาด้วย มันจะย่อหย่อนลงไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นช่องทางอันนี้ต้องมีกฎเกณฑ์ให้พวกท่านทางหลายควบคุมกันเองถ้าว่าปฏิบัติถ้าว่าใครจะเอาจริงเอาจังก็บอกกล่าวผู้ใหญ่ขึ้นมาที่เป็นหัวหน้าปินกิจจะลักษณะเอาลงมือประพฤติปฏิบัติจริงจังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องการปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจแต่กิจจวัตรคอวัดส่วนตัวนั้นอย่าได้ขาดปัดกวาดบริเวณที่พักพาอาศัยตนเองนั้น อย่าได้ขาดถ้าว่าผู้ใดติตั้งใจภาวนาอย่างเดียวปล่อยปาละเลยกิจวัตรข้อวัดอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่ผลทางไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาถึงจะอยู่นสถานที่ใดก็ตามปัดกวาดบริเวณของตอนเองให้สะอาดสะอ้านจากนันก้นลงเดินจงกลมเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งให้สม่ำเสมออันนั้นแปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจ แต่ไม่ใช่ว่ากดอาหารเสร็จแล้วก็ไป น, นอนทั้งวันทั้งคืนไม่เดินยุกรมไม่ปัดกวาดอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้มาปฏิบัติมันมานอนเฉยๆแต่นอนเฉยๆคือจริงนอนภาวนาแต่นอนภาวนาถึงยังไงก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนอนภาวนานนคืออะไรไม่หลับก็ตื่นไม่ตื่นก็หลับอยู่นะั้นมันไม่ใช่หลักที่จะมาประพฤติปฏิบัติจริงจังและจริงใจตามว่าผู้ปฏิบัติจริงก็ต้อง อยู่ในอริยบทสามยืนเดินนั่งส่วนนอนนั้นให้อีกเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันพิจารณาก็แล้วกันในจุดนี้ผมเองจะไม่อย่างลึกถึงขนาดนั้นก็ให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างผมเองสมัยก่อนที่ผมอยู่วัดป่าบ้านตานแต่ถ้าว่าผมอยากจะภาวนาผมก็เข้าไปเตรียมน้าเตรียมอะไรเอาไว้จากนั้นชวนกิ จ, จวัดข้อวัดอย่างอื่น ผมก็ออกไปดูบ้างแต่หมู่พวกเพื่อนก็ต้องยกเว้นพอได้บอกกล่าวเราเราจะเอาจริงจังเราจะภาวนาอยู่ตามลำพังอันนี้ก็เป็นที่รู้กันในกลุ่มในหมู่ในคณะแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลควบคุมอีกนี่แหละทีนี้เมื่อเราอดอาหารเราก็ตั้งจิตแน่วแน่วไว้หนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด จะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะพยายามทําจิตให้สงบจะพยายามจะไม่ส่งจิตออกข้างนอกจะบริกรรมพุทโธหรือให้มีสติอยู่กับตัวเองในอริยาบทยืนเดินนั่งถึงจะเดินก้าวไปนั่งจิานที่ใดก็ตามข้าพเจ้าจะมีสติในการก้าวเดินจะมีสติอยู่กับร่างกายจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกคือตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจอย่างนั้นจากนั้นก็พยายาม สังเกตดูตนเองที่นี่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ในอริยบทไหนก็าตามเราให้มีชติกำหนดแต่ถึงยังไงก็าตามอย่าลืมคำว่าบริกรรมถ้ามีแต่กำหนดเฉยเฉยมันยังทะเลถลายจะออกไปได้ง่ายถ้าบริกรรมพุโทโธสัมทับเข้าอีกนี่นหะจุดนี้ก็คือเป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่มันมายึดเหนี่ยวกับกรรมฐานไม่ใช่ว่าเราจะกำหนดเฉยเฉย แล้วจะเพียงพอไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ท่านไม่ส่งเสริมจุดนี้ต้องบริกรรมสำทัพเขาอีกพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเขาอีกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธหรือพุโทโธกะการก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธในการเดินอย่ากลมอันนี้แหละ ว, วิธีการเบื้องตน้นต้องมีจิตใจแน่วแน่จิตใจมั่นคงจิตใจเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าทะเลถลายเรื่องไรมาถล ก, กออกไปผลที่สุดก็แก้ลาคาญ พออยู่ตามลําพังกับงุดหงิดมุ่งงานหาเรื่องนั้นมาทําเพื่อแก้ลาคาญหาเรื่องนี้มาแก้ลาคาญผลที่สุดก็เลยเป็นประตูหน้าต่างของกิเลสที่มันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกได้ไง่ายๆมันไม่กักขังไม่กักกันไม่กักกัน้นอารมณ์ของตนเองสรุปแล้วก็คือไม่ปิดประตูเพราะงั้นเฮ้อไม่ปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างแล้วก็ตีหมาเพราะงั้นตีหมาอยู่ในห้องแต่ระวังนะคร ตีหมาแล้วเดี๋ยวมันกัดก่างั้นะเนี่ยต้องใช้ปัญญาเลยอยู่ในที่ปลอดภัยซะก่อนอย่าค่อยตีมันมันจะอยู่ได้เหรอมันก็หมอบอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละเราต้องใช้สติใช้ปัญญาบังคับจิตใจของตอนเองไม่มีใครที่จะบังคับจิตใจของเรายิ่งกว่าเราถ้าคนอื่นบังคับเนะี่ยไม่ได้ไม่ถูกกูบาอาจารย์จะบังคับก็ไม่ถูกจะมีกฎเกณฑ์บังคับกันก็ไม่ถูก ถึงยังบังคับยังไงมันก็ต้องส่งออกถ้าไม่มีศรัทธาแต่เป็นเสียจากคนนั้นมีศรัทธาเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วท่านให้นั่งเอานั่งนั่งหมดด้วยความเคารพจริงๆเอาจริงๆจังๆตายเป็นตา ย, ตา ย, ตายมันหาได้ย า, ยากอย่างนั้นโดยมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าตัวเองไม่บังคับตัวเองแล้วให้ครูบาอาจารย์บังคับนั่นยากมากพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นตัวเองต้องบังคับตนเองตัวเองต้องเชื่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติ ที่ท่านทําจิตให้สงบนั้นท่านทําอย่างไรนี่แหละคือความมุ่งมั่นเป็นสําคัญศรัทธาคือความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานจิตคือความตั้งใจมั่นจะไม่ให้จิตใจส่งออกไปข้างนอกวันนี้เนี่ยเอาดูซิไม่ให้เผลอเลยได้ไหมเผลอกี่ครั้งก็ให้รู้จักว่าเราเผลอกี่ครั้งไม่เหลือวิสัยไม่นานพวกเราจะเข้าสู่ความสงบได้ นี่แหละการปฏิบัติของพระกรรมฐานท่านทําอย่างนั้นนะการเข้ามาบวชไม่ใช่ว่ามาบวชเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่อยู่กินเป็นวันๆไม่ใช่มันสู้ทางด้านจิตใจไม่ใช่สู้อย่างอื่นไม่ชู้เรื่องแบกเรื่องหามไม่ชู้เรื่องการเรียนการสอนไม่สู้ไม่ใช่ว่าสู้อย่างอื่นสู้ทางจิตใจใจคิดนึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละต้นตอของพุท ธ, ธะเพราะพระพเจ้าไปอยู่ในป่าถึงหปีท่านสู้กับอะไรสู้กับอารมณ์ของท่าน สู้กับภายในใจของท่านใจของท่านน่ะคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกจึงไปเห็นพยาบาลนางตันหาลาคาอลดีเนี่ น, น่ะมันส่งออกไปข้างนอกไปเห็นเพราะนั้นเราได้แนวทางของพุท ธ, ธะแล้วมาดูใจของเราการเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโถการนั่งก็กาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีคำบริกรรมด้วยแต่จะกาหนดเฉยเฉยมันเบาเกินไป มันไม่หนักแน่นให้มีคำบริกรรมในใจด้วยนั่นะสำทัพเขาเป็นสองน่จอไปจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนี้จากนั้นนำจิตที่สงบนั้นนำมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอะไรคือกรมฐานห้าเกสาโลมาณนาาทันตาตะยูเกสาผมโลมาขนหนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเมื่อพิจารณาถึงหนังมันหุ้มร่างกายอยู่ ถ้าถลกหนังออกหมดคนเราหน้าดูไหมมีแต่เนื้อแดงเถือ่อจากนั้นถลกเนื้อเข้าไปพาเข้าไปถึงลำไส้แล้วเป็นยังไงลำไส้มนุษย์ทานดูดูแล้วเหมือนกับขังงูอยูอย่ในกงแน่นๆอย่างนั้แนแน่ะเหมือนกับเราเอาจับงูเหลือมมาแล้วก็ขดลงไปในตู้กระจกอย่างนั้นถ้าเราเรามองเห็นจากข้างนอกเข้าไปเหมือนกับจับงูเหลือมเข้าไปขังอยู่ในห้องอย่างนั้น ลำไส้ของพวกเราท่านทั้งหลายเอะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละดูเข้าไปถึงจุดทุกอย่างในร่างกายถ้ามีอะไรมันน่ารุ่มหลวงมัวเมาไหมน่ารักใข่ชอบใจไหมให้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วร่างกายสังขารนี่เป็นอนนี้จังนะขอไม่เที่ยงนะทุกขังนะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะบอกไม่ได้ใช่ไหมฟังนะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนะไม่เป็นอย่างอื่นนะผลที่สุดก็มันตายมรณะาภาพ เผาไฟฝังดินใช่หรือไม่ใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายมีไหมให้ถามใจตัวเองจามใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมนั่นคือรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจที่เราเอาจิตสงบจิตสงบก็คือนามธรรมให้สงบเมื่อนามธรรมของเราสงบจิตสงบแล้วตัวนามธรรมสงบแล้วพิจารณากายในเมื่อพิจารณากายเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ใจคือนามมาทำเท่านั้นแะ่ะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมัน่นร่างกายมีเพียงเท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่น่ายึดมั่นถือมัน่นเหมือนกับรถล่างคันหนึ่งอย่างนั้นน่ะเมื่อเราไปอยู่กับรถต่อไปรถแก่เข้าแก่เข้าผลที่สุดสรุปผุพังตารถก่อ ม, มองไม่เห็นยางรถก่อรั่วเราเป็นเจ้าของรถเราจะไปยืดยึดรถคันนั้นว่าเป็นของเราอยู่เหรอ อีกสักวันหนึ่งรถมันเป็นอย่างนั้นอรถมันเก่ามันแก่นี่แหละรถคันนี้ยังเป็นของเราอยู่แล้วเปนเป็ น, ปนยังไงถ้าเราไปเอารถอีกข้างหน้าอีกซื้ออีกคันอื่นอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเป็นสภาพทย่าง น, นี้อีกเพราะใจไม่ตายแล้วทำใหม่มันก็จะย้อนเข้ามาหาตัวใจทีนีน่ใจของเราไปทําไมไปลุ่มหลงงัวเมาเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรก็ค้คนหาที่ใจอีกทีนี่นทําไมเราจึง เป็นลักษณะอย่างนั้นมันมีกิเลสกิเลสคืออะไรคือความยึดมั่นถือมั่นกิเลสราคะคือความพอใจรักไข่รุ่มหลงมัวม au, เมาเกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสเหล่านั้นนี่แหละมันออกไปจากที่นี่ออกไปจากใจจากนั้นก็ดูกิเลสราคะกิเลสโทสะความพอใจความไม่พอใจความคุณเครืองทางด้านจิตใจก็รู้อีกโทสะโมหะ จิตใจคือตัวหลงคือตัวอวิชชามันมีอวิชชาอยู่ในใจจึงหลงราคะจึงหลงโทสะเอโลกโกรธหลงออกมาจากตัวอวิชชาเเมื่อเรารู้แล้วออกมาจากที่ไหนออกมาจากใจทั้งหมดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าออกมาจากนา ม, มาธรรมคือใจนั่นแหะตัวนั่นแหละจะพิจารณาอะไรข้างนอกมากมายกายกองหลายเรื่องหลายราวมากมายขนาดไหนก็ตาม สรุปแล้วก็คือเข้าไปสู่นมามธรรมคือจิตใจดวงนั้นทั้งเองเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็น จ, จริงและถอดถอนตัวนั้นละ่ะจิตใจมันจะกระดอนกระเด็นออกไปกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจากจิตใจใ จ, ใจบริสุทธททิ์พุทโธแล้วทีนี้อยู่นสถานที่ใดก็ตามกิเลสตัวไหนหน้าไหนมันก็จะไม่มารบวนใจดวงนั้นของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้น การภาวนาเป็นมาอย่างที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นอย่างอื่นตั้งแต่เริ่มเริ่มนั่นแหะจริงจังจริงใจในการประพูดปฏิบัติให้มีสัจจะให้มีความจริงให้มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเมื่อจริงจังแล้วสนะับจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็นำมาพิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางข้างนอกแล้วก็ปล่อยวางข้างใน ปล่อยวางกระทั่งใจรู้แจ้งเห็นจริงมันจะไปยึดมั่นถือมันอะไรเพียงรถล้างคันหนึ่งเท่านั้นเองเราจะไปยึดยังไงยึดเท่าไรก็ยึดแก่ไปเรื่อยรถคันนั้นก็ยิ่งผุกไปเรื่อยผลที่จุดจะทำยังไงไม่หนีเหรอจะไปยึดดูอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ยึดอย่างนั้นก็เป็นทุกข์ดูจากนั้น่ะใครเป็นทุกข์ล่ะใจเป็นทุกข์เห็นไหมพวกอมพลึกอมพลาดเจ้าชายนิทราคือร่างกายจิตใ จ, จยังไม่ออกจากร่าง แต่รถคันนั้นมันจอดอยู่แล้วเพนต์ติดเครื่องอยู่เฉยๆทาอะไรก็ไม่ได้ทุกไหมเราเห็นภายนอกมันก็ทุกแต่จิตใจดวงนั้นนะมันยังยึดมัน่นมันยังติดเกาะ อ, อยู่แต่ตามไม่จริงถ้าปล่อยวางซะนะรู้แจ้งเห็นจริงซะไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละบรมสุขจะอยู่เกิดตรงที่จุดนั้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงสรุปแล้วก็คือ ใจของเราหนึ่งหลงหลงอย่างอื่นก็พอทําเนามันหลงร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นอันดับแรกที่สุดมากที่สุดหลงมากที่สุดคือหลงร่างกายของตนเองถ้าไม่หลงร่างกายของตนเองแล้วจะไม่หลงส่วนอื่นพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าหลงร่างกายของตนเองแล้วต่อไปก็หลงนั่นแหละหลงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องลาบยศสนะเสริญสุขโลกะทำแปดสี่อย่างหลงสี่อย่าง ที่เราต้องการมีลาบเราก็ต้องการมียศเราก็ต้องการสรรเสริญเราก็ต้องการสุขความสะดวกสบายความสุขในการเป็นอยู่เราก็ต้องการนี่แหละมันหลงพอหลงร่างกายเสร็จแล้วก็หลงโลกธรรมสีข้อนั่ะก่อนจากนั้นก็หลงสิ่งภายนอ ก, กนี่มัวเมาปุ่นวิวุ่นวายไปหมดทิงไม่รู้เรื่องอะไรตัวมิอะไร ผลในสุดออกมาจากใจของพวกเราทางนั้นถ้าเราพิจารณาเอาธรรมะทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นกล่องจุลทัศน์ส่องเข้าไปแล้วเราจะเห็นจุดบ่อเกิดของกิเลสราคะโทสะโมหะ เ, เมื่อเราเห็นจุดนั้นแล้วเราปล่อยวางทิ้งนั่นแหละธรรมก็จะเกิดขึ้นมาในจุดนั้นเหมือนกันเหมือนกับความโง่ความฉลาดมันมาในจุดเดียวกันมันโง่ามาจากไหน เมื่อฉลาดเข้าไปแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาความโงก่ก็หายไปในวันนี้เลยพูดแนวความคิดในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเอาตอนนี้ไปรับพรอนุอ โ, นโมทนาให้